ถ้าหาว่าพวกเราพรผสกนิกรทั้งหลายผู้มีปัญญาก็ยอมลําลึกถึงพระคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระบรมราชนินีพระบรมวงศสานุวงศ์หรือตระ ก, กูลที่ปกครองประเทศชาติมาเป็น ท, ทอดๆตั้งแต่นูน่นตั้งแต่กรุงศรีอยุธยากรุงรัตนโกสินทร์ที่ปกป้องประเทศชาติให้พ้นปากเกียวปากากา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 ถ้าเป็นทองคำน้อยกาดีถ้ามันมาก่ะมากก็ยิ่งดีนี่แหละทำคำสอนของพระพุทธศาสนาถ้าเราต้องเอาเหตุผลเข้ามาดูว่ามีเหตุผลมากน้อยแค่ไหนในจุดนั้นมาแฉออกมาดูสิที่ตัดออกตรงนั้นน่ะมันทำร้ายทารายเสียหายไปยังไงมากน้อยแ ค, แค่ไหนถ้าสิ่งไหนก็ตามถ้ามีเหตุมีผลแล้วน่นะควรเอาไว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 จะทํำยังไงล่ะพวกเราศึกษาในพัฒพระวินัยของพระพุทธเจ้าด้วยสิมีต่างเยอะแยะไปอภิสมาจารย์ศินมาในพระปฏิโมกข์สิลพระมาในพระปฏิโมกข์สองรยี่สิบเจ็ดสินอภิสมาจารย์มากกว่าแต่มากกว่าเรานะตัดทิ้งทั้งหมดใช่ไหมไม่ใช่มาในพระปฏิโมกข์ตัดทิ้งทั้งหมดใช่ไห ม, ไ ม, ม, ม, ห ม, ไหมอย่างภิกษุอไว้ผมยาวเนี่ย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 จึงจะถูกนะอันใ้มัวเมียคนไม่กี่คนเนะ่ะพูดขึ้นมาแล้วกันนะเอ่อเต้นแรงเต่นกาหลวงพ่อหวานดูดูแล้วมันเป็นยังไงเอ่อสาหรับหลวงพ่อเองหลวงพ่อว่าเนี่ยหลักพระธรรมวินยัยทำคําคสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านวางไว้แล้วนะเนี่ยพอแล้วอยู่ในปตัตไตรพิดกนะให้ปฏิบัติเออปฏิบัติได้หรือไม่ได้แต่ขนาดนี้ก็ตือยังล่วงล้ำวินัยมีตังเยอะแยะ ไปทุกวันพระทุกวันเนี่ยประยุกต์ไม่อยู่ในกรอบถ้าจะพูดไปก็นั้นแนหะมันเยอะพอดไปเท่านั้นแหละมันก็จะมีการาไม่เข้าใจกันทะเลาะกันไปได้อีก น, ะนี่แหละพวกเราท่านทั้งหลายลูกหลานาลุกศิษย์ลูกหาลูกหลานของหลวงพ่อที่ฟังในวันนี้นะ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 นนั้พยายามรักษาไว้แต่หลวงพ่อพูดให้ฟังทางนี้หลวงพ่อมองข้างนอกเขีมใช่มันมีสิ่งที่มาผาดมาเกิดเหมือนกับเรารักษาน้ำบ่อน้ำที่สะอาดพอเราได้ดื่มได้กินในบ่อน้ำถ้าคนเอาสิ่งสกปรกแปลกเปืือนมาเราก็ต้องพูดเอออย่าทำมันไม่ถูกนะควรจะรักษาน้ำไว้ให้สะอาด ปกป้องไว้เพื่อจะได้ใช้น้ำไปชั่วลูกชั่วหลานเพราะน้ำในเป็นน้ำที่ดื่มสะอาดอยู่แล้วไม่ควรจะมาเพิ่มเติมสีอะไรเข้าไปอีกไม่ควรจะททำให้น้ำในศกกระปลกลงไปอีกควรจะรักษาหนาหลวงพ่อพูดเพียงแค่นั้นรับพรอ น, อนุโมทนาให้พร